คืนสนุกยังทำขันำข้นสำคัญสำคัญหลวงปู่บัว ย, ยังสนุกหลวงปู่คำดีก็คุยกัน าการปฏิบัติตัวเองอย่าไปคาดไปหมายนะการภาว น, นาให้จิตเป็นปัจจุบันเสมอถ้ามีสติจิต ก, ก็เป็นปัจจุบันถ้าปราศจากสติเมื่อไรก็วิ่งไปอดีตอนาคตทันทีเหยียบหัวปัจจุบันไปเลยถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบัน จิตเป็นปัจจุบันนะจิตปัจจุบันรรอาถมเพราะมีสติอยู่เท่า น, นั้นน่ะจิตจะไม่เอ็นไปอดีตอ น, นาคตนี่เราพูดถึงขั้นสมถะนะพูดถึงขั้นปัญญามันจะหมุนไปไหนก็ตามถือมันเป็นเรื่องของปัญญาล้นลวนไม่ว่าจะไปอดีตไม่ว่าจะไปอนาคตมันเป็นเรื่องของปัญญาค้อนขวายประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นไม่ผิดกัน ศพของหลวมปู่แหวนก็น่าจะเป็นระยะท่านเกิดเนินมกรายเลยหลวงมงปู่คำดีก็ตั้งหน่งมาแล้วเดือนประจิกาวันที่เสลา่ลืมลน่ะยี่สองยี่สามยี่สิบมัน ห, า ห, าหา่าวห่าวรู้สึกเหนื่อยเหน่อยนิดพอเริ่มเหนื่อยก็หยุดไม่อยากฝืนมันไปมาก เทเสีให้เทธรรมดาอ่อยๆอยูันก็ไม่ได้อีกแห้ะมันคือว่านั้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันขณะดเทยิ่งจงมันเสียงมันเข้มข้นเราจะไปลดหย่อนก่อนผันมงไม่ได้ขัดขัดหลักธรรมชาติเทเบาๆจะไปเร่งมันให้มันมันนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วเวลาเร่งมันแล้วจะจะให้เบาขนานไหนก็ไม่ได้ที่ปล่อยไปตามจังหวะ เพราะฉะนั like ้นมันถึงเวลาเก็มข้นมันถึงเก็มข้นแล้วทำให้เหนื่อยตรงนี้แม่โคจันเท็กเ์ียโอ้โหประตุวัดได้ยินปัะตุวัดจับคำไม่ได้ตามได้ยินชัดเดียวแต่ไม่ใช่ชัดทบาแบบจับเอาถ้อยเอาคำได้นะ คือดีนูนว่าทันเทศท่านคนพูดกันง่างยๆเสีย ง, ง, ง, งกันเสียงท่านกลางวานที่แรกก็ค่อยเอือยเอือก็ไปๆไปๆเอายี่สิบสามเอร์เซ็นะอีทีดทีาทอะไรก็ตามท่านยังไม่เข้าสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ยังไม่เข้มข้นพอเข้านั้นน่าเป็นไปเองหมุนติ้วๆๆ นิถีสร้างเดินของจิตพูดถึงกันสมาธิพูดถึงการปัญญาคั้นในมูลแล้วถ้าภาษาเราเดี๋ยวมันคันฟั่นคันฟันคืออยากให้หมู่เพนได้รู้ได้เห็นนั่งนี่น่ะเหมือนกับว่ายุ่นนี่นะ่ะทำไมนอนหลับตายสมไมเหมือนอย่างนั้นนี่อย่านเพราะท่านท่า น, น, น, นเทศท่า น, นเท ศ, เทศด้วยความรู้ความเห็นทุกขั้นจริงๆท่านไม่ได้เทศแบบ ผมผมมลูกของคำอะไรของจริงมาเทศทอต้องมาจากหัวใจท่านมาเทศนี้เราฟังพ่านเป็นสนุกเทศผู้ฟังสนุกฟังน่นจะ่ท่านเท่าแก่เมื่อขนาดนั้นเทศต้องสองชั่วโมงนะเทศแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่กว่าสองชั่วโมงสอชั่วโมงกว่าบางทีกฟ้าังสสามสี่ชั่วโมงเป็นนานมานานนที ฟังมันมันเพินพรอาจานถึงเรียกว่าหูสูงสิแล้วเพราะว่าหูสูงก็มาถูกหูยอมแม่นี่มันก็แบบเดียวกันเราก็ยอมรับเพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นนี่นี่ฟังเท่ขุงพ่อแม่ของอาจารย์มั่นแล้วมันไม่อยากฟังเทศของใครอีกแล้มันไม่เหมือนนั่นท่านจับออกมานี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะดีอย่างนั้นเหมือนอยว่านี่น่ะเห็นไหมนี่หน่ะตาบอดหรืออย่างไรท่นจะว่ากันนะ ทั้เข้มขความเป็นพทธของเทพของการเทศ น, นั่นเหมือนกับว่านี่นะนี่นะตาบอดถึงไม่เห็นตาบอดหูหูถึงไม่ได้ยินนี่นะนี่น่ะนี่ น, ะ, น, นะอย่างนั้นท่นรู้จริงจกินเห็นจริงจงพูดอะไรออกมาโอ้โหมีรถมีชาติอยู่ตลอดทุกทุกประโยชน์แห่งการพูดทั้งด้าน ละเอียดมากกิเลสละเอียดมากเราถึงเลยหลงกลมันสัตว์โลกมีหลงกลนะนะฮะกลมันทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของเราไปหมดเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องของค่าศึกไม่ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันถือเป็นเรื่องของเราทั้งหมดทุนี้เราเรกิเลสกขาแยกกันไม่ออกเอลยจะแยกกันออกไงมันสนิทติด จ, จมกันขนาดนั้นเอาอะไรมาแยก เป็นกว๋วสติปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วนั่นแหละที่ค่อยรู้สมาธิรู้แต่ว่าจิตป็นขันเป็ันหนึ่งหักยังยังถอดยังถอนกันไม่ได้นะหักทราบพอถึงขันสมาธิจิตสงบเย็นแล้วมันมีจุดแห่งความเย็นความสงบจุดของความรู้ที่เด่นดวงและสงบเย็นให้เห็นมันอยู่นั่นนอกจากนั้นเป็นส่วนร่างกายต่างๆก็ มันก็เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งมันเสียมันไม่ใช่ตัวรู้นั้นตัวรู้จะแค้ไม่ใช่ร่างกายส่วนต่างๆนี่มันก็รู้ทําทําไม่มีพิตะพอนาก็ไปแทรกเลยนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทหมื่นล้านทั้งล้านมันก็คว้าน้ําเหลวกันทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นเน่าก็จะมาเมาอาหมดทั้งหน้าเนี่ย ก็เป็นเราเของเราแล้วก็เลยกลืนไปทั้งกิเลสแล้วจะฆ่ากิเลสกับกลัวถูกฆ่าเจ้าของฟันกิเลสก็กลัวจะฟันเจ้าของเลยไม่ฟันไม่ฆ่าไม่กล้าอืไม่กล้าสู้กิเลสสู้กิเลสก็เท่ากับสู้เจ้าของมันก็เฉือนเอาเนื้องเจ้าของออกไปอเพราะกิเลสมันติดกับเนื้อกับหนังกับกพวกหัวใจพอแล้วจะแตะตรงไหนก็กลัวแต่จะกระทบกระเทือนตนอหมือเลย ยอมแพ้อย่างนั้นโอ้ละเอียดมากจริ ง, นะงขัน้นพอเป็นขั้นสมาธิก พ, พอรู้กันพอถึงขั้นปัญญาก็ไปเอาละไรที่ไม่ต้องบอกนะจัดการตัวเองไปเองนะนเรียกว่าปัญญาตโนมัติมุนตัวเองไป ไม่เคยรู้กับรู้ไม่เคยเห็นกับเห็นไม่เคยลากลา ก, า ก, า ก, า ก, ากันล่าได้เห็นชัดชัดชัดชัดสุ ด, ด, ดอยอดโอ้ย pues มันเป็นยังไงทเกิดเนี่ยต่ว่างกันได้พูดได้เต็มปากนี่เรื่องของโลกของกิเลสเขายังพูดอะไรพูดได้เต็มปากถ้าเรามีธรรมบ้างทำไมพูดไม่ได้วะน่ะเพราะมันมีธรรมเต็มหัวใจแต่พูดได้เต็มปากนั่นนอกจากมันไม่มันไม่รู้จะอะไรมาพูดก็มันไม่รู้ออ ไ, รมม ไ, มรไม่เห็นนี่ถ้าลงได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจแล้วทําไมจะไม่อาจหาในการพูดวะ เหมือนที่เราไปเห็นอะไรมาแล้วนี่พูดตามความเห็นตัวเองคิดไปไหนพูดได้อย่างอาถารพ์เหมือนกันวงการที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาเรื่องอร า, างกุลุ่ยมาพูดขอเล่าให้ฟังมาพูดมันอย่างว่าชุมสี่ชุมห้าผิดมากก็ถูกถ้าลงในเจ้าของไปเห็นเองไปสัมผัสัมพันธ์เองในเรื่องต่างๆพูดได้หมดถ้าลงในเจ้าของเห็นเองรู้เองมาแล้ว กับเหตุการณ์นั้นทําไมจะพูดไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากใจใกับธรรมก็เหมือนกันใจใก็บกิเลสก็เหมือนกันถ้าลงได้รู้กันเต็มหัวใจแล้วพูดได้อย่างเต็มปากเพราะละไในะอย่างเต็มใจนี่นะละมันแล้วอย่างเต็มหัวใจทําไมจะพูดไม่ได้เต็มปากอ่ะ พเทพอเทพไปทพไปโยกพระใจมันก็แสดงมีความรู้ส um ึกเหนื so right? ่อยภายหนก็ต้องในอยู่คืนนี้นายปรากฏท่านสักว่าแปลกเลยวุนวุ่นวุนเยือุ่นเย็นทีวัดนะขฟังวุ่นวุ่นอะไร ท่นป่วยหนละัเป็นงไงดูนะชัดเจนด้วยนะการท่องเที่ยวหนาะที่พอนาใกล้ในสะดวกเหมือนแต่ก่อนมันไม่สะดวกอันนี้อันนึงคือมันไม่สับปยะในการบาเพ็ญไม่เป็นที่สบายในการบำเพ็ญบา ยังยังสมัยของปกผมนี่ก่อนยังพอทำเนานะคือยังม่มีไอ้เรื่องอย่างนี้มากวนใจมามากั้นทางเดินทางกันหนึ่เราคือแต่ก่นไม่มีคำมาก ม, ม, มนิตมนัตอะไรไม่มีอยู่ในในตาไห น, นอยู่สบายมดทำเบื่อํำสวนกว็ไม่ได้ไปทำนาก็พ่ออยู่พกกินแล้ว ทำนลกก็ไมาเด็กขายเขาจะทำอะไรนั่งหนาทำนานกวดีทำได้ข้าวมาพอกินเงินท่านพอแล้วสวนก็ไม่ขนขวายนากว่าอย่างน้ต่อมานี้ก็ดกระดาษมันหลอกโลกเป็นบ้ากระดาษไปจริงๆอยากมีหน้ามีตาทรัพย์มรด น, นทองมีจวดถาาบรรดาสัก รวมๆแรงๆไปต่างคนก็ต่างอย่างเหมือนกันก็ดิ้นกันผันผันหัวมันแหลกไปนั่นคือท้ายแผ่นดินที่ตรงไหนพอที่จะประกอบ้ให้เป็นความสมงบเย็นใจบ้างมันก็ไม่มีที่โร่งที่หวังได้มีตรงตรงนี้ก็เป็นนาเขาจะตรงนั้นเป็นสวนเขาตรงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาโลกมหกฎมหาหลวงเทียน ไปที่ไหนก้าวไที่ไหนก้าวไม่ออกมันไปโดนแต่อของหมุนเรานี้หน้าของกิเลสมันครอบไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดที่สร้างวัดจะไม่มีจะว่าไงสร้างวัดเพื่อจิตใจจะแท้เปไน็นอย่าง่อนมันก็จะไม่มีมไปหาภาวนาที่ไหนพอจะเป็นไปมันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ป่าดงพงนึกที่ไหนหมดถูกสังหารถูกทําลายหมดเพราะนนอำนาจแหงความโลภตัวเดียวเนี่ยมันหนักมาก โลกนี้มันมีความอิ่มพอมเมื่อไหร่เอาที่เอาสมบัติทั้งแผ่นดินนี่มาโยนให้คนคนนั้นหรือคนที่โลภมากๆคนเดียวมันจะพอใจไหมไม่ไม่ได้พอนะมันยิ่งจะโลภเพราะมอิ่ยิ่งกว่านั้นจากได้สองแผ่นดินสามแผ่นดินนี่ในยุคนั้นทั้งสามโลกธาตุมันเป็นบริษัทบริวารเนาหมดนี่ความโลภความันจะเกิดมันเห็นหน้าเลยตทางๆคนก็ต่างมีประเภทเดียวกันเท่ากิเลกก็กิกเลสประเภทเดียวกัน เมื่อเราโลภเขาทำไมเขาโลภไม่ได้นะก็มันมีธรรมชาติที่พาให้โลภด้วยกันอยู่ในหัวใจทุกคนนั้นนี่ก็เสกสารนึ่งขึ้นโลภมันขึ้นไปมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้โทษของมันมีผู้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ชี้หน้าที่ยิ่งเหนียําน้ามากมันชี้หน้าผู้ปฏิบัติธรรมมันชี้หน้าคนดีเหมือนอย่างในวงงานค่ะราชการงานเมืองอะไรก็ตางคนดีอยู่ยากคนชั่วมันมันเนียํานาจมากมันมากต่อมากหลายต่อหลายมากต่อมาก นิยมอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันทุจริตเจบโกงลิดไถ่หาอะไรเขรับชันมาแช่นมันเพราะอะไรก็เพราะตัวเนี่มันมีอำนาจมากมันพาคนให้ลรบลุบมันจะตายนะไม่ใช่ลุบธรรมดาตนะ่างก็เป็นพอไปธรรมดาเหมือน มีโดยความมีธรรมแล้วคนเราใครจะ ย, ย, ยากเยียวยาอันความตยัตยานเป็นของดีเมื่อไรคนดิ่นตายอืมันจะตายมันดิ่นคนไม่ดิ่นอย่างนั้นคนไม่โลภไม ส, มาสบายแสนสบายคนไม่โกรธกับแสนสบายความโลภมันดีเมื่อไหร่มันปรากฏมากน้อยมันเป็นไฟเผาอยู่ของไม่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะดิ่นตายไปแล้ว ทั้วันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับเพาะความโกควนแพราความเจ็ดแค้นเพราะไม่สมหบงังเพระมีสิ่งมากประสบกาือนก็เพิ่งก็อีกหมุนเป็นไฟไปเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะทุกวนัวนทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นแลความสงบสงัดมีน้อยมากเรื่องศาสนาอากาศซ้อนโลกหรือก็เป็นเรื่องเ ป, เ, ปเป็นเรื่องโลกไปเสีย แต่เป็นอดิลทำเป็นจริงมันก็ไม่เป็นมันกลายเป็นโลกเป็นเรื่องโลกไปเสียเพราะผู้แนะนําทำสอนผู้ประกาศทำเป็นคนเป็นคลังกิเลยจะเอาครั้งยังทำมาจากที่ไหนให้คนได้เชื่อให้คนก็รุนนักสือนอกจากมันจะทําลายศาสนาเพราะวการโฆษนาภูมิใจว่าตนรักษาศาสนาว่าตนถรกสอนศา ส, สนาอย่างนั้นความจริงแล้วมันทําลายศาสนานะ ที่ว่าทางศาสนารวมประธานธ น, นันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ค่อยเป็นเข้าไปนะนอกผลนิพพานนี้แต่หัวใจของคนที่จะยินดีแต่ว่าผลนิพพานไม่มีใครยินดียิ่งกว่าอย่างทุกวันนี้อะไรอทําที่ไหนจะยิ่งดียิ่งกว่าเงินนะ่ะต่างเสียถ้าเราเป็นเงินแล้วเป็นกระดาษเฉยๆ ก, ก็ก็เป็นของอจจัศจรรย์นะถ้าทำยีนาทําอัดทําำแล้วมันบ้าสดๆร่อนๆนะี่ย ก็กระดาษที่ว่าเงินอะไรมันจะเป็นบ้าขนาดนั้นเีราพูดตามหลักธรรมชาตินะนไม่น่าจะทําคนให้ดิ้นตายไปแต่ตัวนัน่นแหละต่างคนต่างเสือขึ้นต่างคนต่างมันทําลายคนได้ของที่จะเราเสือขึ้นนั้นมันทําลายเราถ้าสติปัญญาไม่มีให้เกือดแฝงมือเราคิดพายเพราะมันให้ได้ทีเดียว โลภะธรมมนานปริปันโทขนะึ้นมาโลภะอะไรฟังสิมันเป็นอันตรายความดีงามงทั้งหลายธรรมนานคือความดีงามโลภะธรรมานางปริปันโทความโลภมันเป็นอันตรายต่อความดีงามทัง้งหลา ป่ดนี้เราไมไ่ประมาณโลกเราก็อาศัยอยู่ในโลกแต่ความดิ้นตายของคนมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันรู้อยู่หรือยังไงเห็นอยู่นี่คนดิ้นตายเพราะความโลกบังคับมันเห็นอยู่ลู้่นี่ทุกชาติชั้นวรรณะขางคนก็เสกเนแบบเดียวกันเสกันแบบเดียวกันเราก็ด่านให้เป็นเงินขึ้นมาแล้วก็หลอกกันเป็นบ้า รู้เป็นกระดาษก็รู้เงินรู้เป็นเงินงินรู้เราก็ให้รู้เป็นเราให้มันเหนือสิเสือนั้นบ้างสิยาจะเอาเราจะเป็นบ่อยให้เสือนี้เหยียบหัวหนึ่งมีเราพูดหมายความว่าอย่างนั้นแต่สิ่งแีกเกิดขึ้นมาก็ให้เรามีเหนือมันเหนือมันมันเป็นบริษัทสมบัติของเราเราจุกคนใช้กันมากน้อยเป่นไงไม่ให้มันมาทับหัวเราได้มันเหยียบหัวเราได้อันนี้มันมีจะสร้างขึ้นมาฆ่าตัวเอง สร้างมาฆ่าไปเหมือนกับขุยไม่ไผ่ก็เกิดมาแล้วก็วทําลายไม่ไผ่ทำลายตัวของมันเองความรูคมคม้ความปัญญาความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นกับกับโลกมันก็ทําลายโล ก, ก น, นั่นแหลเกิดขึ้นกับใครกาลังนั่นกาถึงขวายไม่ได้ห้ามผูที่เจ้าทั้งก็ไมาห้ามท่านรู้จักความที่จับประมาณ เราเรู้จักประมาณประมาณไม่มีมากมีเด่นมากนะไม่อยู่ทุกแขนทุกหุ่นนะทาบทนี้นะนัตตันตาสตาสาธุเนะปัมนูปัญญาความรูจักประมาณมรู่จักความหมาย ม, มีเยอะนะความพอดีความรู้จักประมาณท่านท่านว่าเราสอนวไว้มีเยอะ รู้ว่าดาดดื่นมากที่เราทําบท น, นี้นี่เขาข้าขนเขาคงจะโลกเป็นยังไงอันทีในสอนความรู้จักประมาณก็เพราะมันไม่รู้จักความมาร์มันโลภจนจะตจนตายใช่ไหมโลภจะของโลภจตนตายมั น, นดีอะไหรือความโลภนั้นมันทําคนให้ทิพหามันฟองเพราะความโลภนี้มีจำนวนเท่าไหร่ ความไม่โลภสังหารมีความสุขความสบายความหมายว่ายงนั้นมัตตันิทานุตาส า, าธุความมี่จะความหมายยังประโยชน์ยังเดนด้ เ, เ, เป็นของดีนะไม่มีโทษน่ เนี่ยอย่างผมเปืี่ยนอย่างเคยเพ้าว่าบ้าเนี่ยว่านะ <c oughs> า, าตาคนเราไม่เป็นบ้าเนี่ยวะพูดถึงคนรู้จัจกความความพอดีพองามหมูนติวเหมือนฟุดบอนยังจะไปเที่ยวที่ไหนก็ลำบากหาป่าหาเขาดี ความเพียรสมรรถธรรมนี่ก็ลําบากทุกวันเลยอยู่แต่กับวัดเหมือนก็อยู่ในคุกในเน ร, รือนจำใตารางนะฮประกอบความป้่าเพียรที่ไหนึนสดวกสบายลงมันก็มันจะไม่มีว่างั้นเลยนะทุกวันเนี่ยหายาก ม, มากนะแต่ก่อนเก้าวไปตรงไหนมีเท่านั้นเยังสมัยผมนี่อยู่กำลังเล่นของมเพ่าเพียมันก็สะดวกมากอยู่นะ คือไม่ขัดข้ อ, ของคือเรื่องความสถานที่อยู่พักที่ไหนไปได้หมดอยู่ได้หมดเพราะมีแต่ป่าแต่เขาดังทุกวันไปอย่างนี้แต่ไรแต่นาเขาสวนเขาเต็มหมดมันไปยึดของไว้หมดเลยนี่โดง่งจากนี้ไปกี่ชั่วโมงกว่าจะพ้นดงใหญ่นี้มันนาแต่นี้ดูดิราบเรียกหมดมี่เรือเลยอันั้นแล้วที่ไหนๆก็เหมือนกันทําลายโม่เพราะความโลภนั่น มันทำลายจากเด่นจากดังจากเด่นเอ้อเอามาอะไรผมอยากมันกวนอยากมันเรีว่าอยากมันดิ่ง เอาดีนะกุชลาธรรมะกุชลาธรรมามแต่ว่าอะไพระกุชลาธรรมานสอนนั้นเป็นธรรมตัวพระอภิธรรมธรรมขั้นสูงขั้นยอดเยี่ยมกุชลาธรรมะกุชลานธรรมะบียาตตาธรรมะ ท่านพูดถึงเรื่องธรรมไม่พูดถึงเรื่องศาสตร์เรื่องบุคคลนี่พูดเรื่องจิตต้นรวนเดียวเรื่องจิตเรื่องธรรมเร่งรวนอันนี้เรามันแยกมาเป็นตัวของเราจิต ข, ของเราธรรมของเราเอาอากุศลธรรมารคือความฉลาดที่ไหมเจ้ของตัวโม่เนี่ยทำมันฉลาดนีะทีนะี้อย่าลืมว่ากิเลสมันฉลาดกว่าเรานะถึงถึงในคลองหัวใจเราบีบขั้นหัวใจเราแล้วเอาปัญญาของเรา เป ale, e, ็นกุศลธรรมมาความสลาดของเราฟาดกันลงไปตรงนั้นเลยกุศลธรรมมาแทำคนทำที่ทนคนให้ฉลาดเ้ากุศลธรรมมาที่ทำคนให้โง่ไปทำเจ็ดคำพีนี้พูดต่เรื่องื่องผิดมาก คือชาปัญญาสร้างข า, ราสร้างฆาาปัญญาวิญญาณังเ น, น, นี่ยปัานารูปนี่แม่ซึ่งมากนะยอดของอวิชาจริงอันนี้ยอดของวัฏจักรคือธรรมชาตินี่เวลาปฏิบัติไปทําไมอิตเจของนี่แหละไม่รู้ว่าใครหรอกว่าตามความรู้สึกเจ้าของมัน ที่อวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญายนัมันคิดปั ler, ๊บนะอวิชชาปัญญาสร้างขารสิญญอะไรอวิชชาปัญญาวิญญาณวิชาญาอันเดียวมิอวิชชาชาพิจาปัญญาสร้างขารอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาปอย่างนั้นนะทีเวลาพิจารณาแล้วมันรวมงนั้นหมดเลยแล้วเอาภาคปฏิบัตินี่เขาจับกัน นี่เวลาท่านเขียนเป็นตำหนักตานางมาแล้วมันเกี่ยวโยวงมันเป็นลูกโซ่ไปที่นี่ตามข้าวิชาถ้าฆ่าไปทุกคนตายขึ้นกว่าเปล่าไม่เกิดกระโดดเลยมันมีอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรอันนี้มันหนุนอะไรอันนี้มันหนุนอะไรมันอยู่ในใจเนี่ยออวิชชาปัญญาสั้งขาระมันหนุนให้เป็นสังขารสมุทยัยไปมาเห็นไหมหนัะห น, นุนวิญญาณ ขึมาเป็นจมไทยเห็นไหมสัมบัสสัมผัสอะไรมันเป็นจมูทยัยจมูทยจะมาเห็นไหมเห็นไหมความหมายน่ะอริชาปยาสัางคาราอริชาปยาวิญญาณเ้าถึงนำรูปอะไรนี่ว่าเป็นสุดฉิมันมันหมุนกันไปอย่างนี้ภาพปฏิบัตันเห็นอย่างนั้นจะมันสร้งถึงเราเกวามตาักเก ว, วามิสาดุขคันาสสุเมโยโหติทั้งหมดนี้เป็น เื้อมู่ไทย้นั้นมีแต่ตัวอวิชชาเป็นผ้ิดขึ้นมาทั้งนั้นของความหมายว่างาอยกงยกองกันอนว่าอวิชชาปยาตั้งข้าราังราปัญญาลามาปาามรูปังเืเพราะอวิชชาีุกสังขารสังขารเกิดญญาญญาเกิดนามูนามูลณะเรื่อยไปให้เกิดยัง มันไปเที่ยวต่อไปมันความจริมันเป็นอย่างนั้นในภาพปฏิบัติจริงเป็นนักว่วานวินชาปัญญาสร้างข้าวอริชาปัญญาลิญญาหนังวิชาปัญญานามรู ป, ปังมัน่าตัวนี้หมดเลยตัวเดียวเนี่ยตาให้เป็นนนั้เวลาดับมันก็นดับตัวเดียวนี่เท่านั้น เรามันไปตนทหาดับอย่างที่บ่านนะดักต้นเดี๋ยวนี้้งหมดนะเหมือนกับถอนต้นไม้ขึ้นม า, มาทั้งหลักแก้วมันแล้วพูดเดยอะนั่นไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปดักไปทําลายอาจิการสาขามันตาเต็มหมดเมื่อถูกถอนขึ้นทั้งขึ้นทั้งหลักมันแน่วลากแก้วอันนี้ก็ลากแก้วมันเขื่อนวิชาถอนพวดตรงตรงนี้แล้วสร้างคาลามิ ญ, ญาลามิญาปัญญ า, ย า, ยามไม่ต้องพูดพูดไปอะไร ถ อ, อนตัวเดียวนี่เจตเตะนี่ปัจชยการนักเทศเาบางคนเคยพูดว่ า, าอาจารย์นักประเทรไม่ประเจศอภิชาเทศอายศัสตร์สุดมากไม่เทศอริชาเล่าปจะกี่วนันไหม <laughs> เราอยากเอานี้เลยเคาะหน้าผากที่จะ บ, บาดกูเทศจนเกือบตายวักกววนนึงยังโมงเมือกยักุเทศอริชาก็่าอย่างโก็อสนุกเล าามันหนาววเน้อะมันีว่ะเทปูดถึงเนึ่งสังขารนงญาณมันอย่างโ่หนึ่งวิชชาไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นไม่ใชเรื่องอวิชชาเท่นั้น่ะที py, ่ว่าตะล่อมเขาไปตะลอมไปตีเข้าไปตั้งแต่รูปตั้งแต่รูปถึงเวทนาสังยาสังขาริญญาณเนี่ยตียเข้าไปตีเข้าไปเป็นอะไรไม่ใช่อวิชชาเป็นอะไรจนกระ่งถึงอวิชชาถึงอวิชา Blue ไม่มีที่ไปมันหมอกอยู่ในจิตน่นทางเดินนั้มันก็ถูกตัดถูกฟันลงหมดไปทางตาทางรูกทางเสียงทางกลิ่นรสทางจิตใจทางหูจมูกลิ้นตาตาตัดหมดเลยตาตัดหมดทางเดินสื่อสารทางสื่อสารของวิชาตัดหมดตันหมดไม่มีที่ไปมันรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าล้ปล่อยวางไปหมดนี่ตามเลื่อนเข้าไปตางไปจนกระท way, asis, acids, <gener> <f> ั่งถึงจิตตาวิชาจิตตาจิตตวิชา มันคงไม่คงเล่นเมื่อไหร่อือจิตวิชาแท้เราประคาาอวิชาเหมือนกับเสือโคง่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผเราคาดาวิชาเวลาไปเจอวิชากีโนโนางงามแตกวะนางงามแตกระวัสูงไม่ได้อะไรขับับโอหาอัศจรรย์เหมือนกันนะมิจเ่นต่ท่นท่พูดถึงอะไร กัจุบันเหลือ16นั่นเข้าขัน น, นี่เกิดใช้สำคัญทุ้ของคือมันเด่นกีนตรงนั้นมันเด่นมากสว่างสวยกระโุกง่ายอะไรสว่างแจ้งแจ้งอยู่ภายในขงมันอาังการตัวเองนะ่ว่านั่นวิชาแท้มันเป็นรูปเสือโครง่งเสือดาวอะไหรมันรูป นางงามจักรวาลนั่นแหล ะ, ะติดถ้า ม, มีพูแน่ไว้ก่อนยังไงต้องติดแน่ๆ แ, แน่ไว้ก่อนอย่างคิดว่านั่นไปเจอก็ะร่วมกับู้เอ้นอ๋อยังเป็นอย่า ง, น, งนี้กี่เป็นเข้าไปเลย ประชาชตีว่าเสี pounds, ้ยสุดยากันอย <a breathe> ู่สร้าลังอยู่ทุกข์สั้างขลายู่เตาหินยาดันอยู่ทุกขินยาดันู่เตาดับดับดับเมื่ออันนี้ดับนั่นก็ดับดับดดับพุ่นง่ายเเมื่อรากแก้วมันถอนกันแล้วกิ่งก็ตายก้านสาขาดอกใบมันก็ตายอะไรมันก็ตายเปลือกมันก็ตายไอ้ตายกระพิมมันก็ตายแก่นก็ตายระหว่างัันก็คุณงายคือถอนขึ้นมาแล้วจึงมาพูดนี่ มื่อวิชามดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็เราดับเนี่ยก็เหมือนเือเราถอนต้นไม้ี่ขึ้นทั้งรากแล้วอจริงมันก็ดับอันนั้นก็ดับพันนากันนี่คือตัวใหญ่ออันใหญ่มันตัวสำคัญถอนขึ้นมาแล้วรากแก่ของมันทวดเนี่ยเหมือนการสาขาดอกใบมีเท่าไหร่ดับดับดับดับนั้นดับนั้นดับอันนั้นดับหมุนมาเรื่อยไปเลยเวลามันมันไปเริ่อยเมันอไหรก็เจริญอหมด อยากจะยินได้ฟังหมู่เพื่อนปฏิบัติธรำได้รูได้เห็นอย่ยู่เราก็ขนาดนี้แล้วอยู่ไปเฉยๆนั่นอยู่แบบติดๆจะชื้นแปรนั่นอะไรทาดขันอยู่ไปควาอมันมาตั้งแต่วันเกิดก็จะตื่นมันอะไรไง อะไรอะไรก็เคยเห็นเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาทั้งนั้นมีแต่ เ, เ, เรื่องหนุนนี่ทั้งนั้นเอ๊ไม่ตื่นไปหาอะไรเนี่ยมือกระแจ่หนูเป็นมัอย่างงีนะ้ตื่นอะไรเหมือตื่นเมือ่อตื่นแจ้งตื่นอะไรเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์นู่นเชื่อมกันลดกลางสวมผัส ก, ก, ก, ก, ก็เป็นสิ่งที่เคยมาแล้วทังนั้นจําเกอก็ไม่ทราบจะติดอะไรกันนักหามันก็น่าจะตรงจะวางกันได้นะเพราะเคยมา ตื่นนนขึ้นมาก็มีสมาสมบัติสมพันธ์ของเรื่องที่เคยจำเป็นจำเกย์มาตลอดอยู่แล้วก็ตื่นนะเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าเรื่องมันต่อมได้ขนาดนั้นไม่มีว่าอาหารนี่ไม่เคยกินแล้วอาหารนี่เป็นเด่นไปแล้วสิ่งนี้เป็นเด่นไปแล้วสิ่งนั้นเป็นเด่นไปแล้วอยุ่งกับมันทำไมอันนั้นเป็นเด่นแล้วไม่ได้ว่าเป็นเด่นไม่อี่มไม่อิ่มไม่อี่มไม่อิ่มไปหมดเลยติดดะเลย นจะนั่งภาวนาแล้วเป็นเด่นไปแล้วนั่งภาวนาสมาที่ภาวนาจะเดินถึงกรมอเป็นเด่นทั้งหมดแล้วเมื่อวาน ก, ก็ทำไม่น ไ, ได้เรื่องเลยเมื่อคืนนี้กูทำไม่เห็นได้เรื่องลเลยมีแต่เจ็บปวดแทบเป็นกะชายวันนี้กูเข็ด <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเลนี่แหละแต่เวลาเราทากูเข็ดมื่อวานนั้นแต่เรืเดงกิเลสกูไม่เข็ดมาเถอะจะได้หมดร้อยเลยจะหมูกูมีวางั้นเลย หมูกูก้เหมือนเหมือนกวเอาเลยเอาเลยพอใจมัน้อจะหมูโอ้ทุกงลยังนาตเลิกลไป